ที่แแม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมหลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจคือแม่บทหลักหรือหลักการสำคัญของการปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราปฏิบัติผิดพลาดจากกิจในอริยสัจเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยกิจในอริยสัจมีสีประการ ดังนี้คือ 1. ทุกควรรู้กิจต่อทุกขสัตว์คือการรู้หรือปริญญากิจมีประเด็นสำคัญที่ควรสนใจ4ประการคือ 1. ทุกคืออะไรคือรูปนาม 2. ทํทำไมจึงต้องรู้ทุกเพื่อดับเหตุแห่งทุกสาม การรู้ทุกนั้นต้องทำอย่างไรต้องเจริญสติปัฏฐานสและ4พัฒนาการของการรู้ทุกเป็นอย่างไรปริญญา3าวิสุทธิเจตโลสลัยานมีสาระสำคัญดังนี้คือ 1.1 ทุกข์ทุกคืออะไรตามนัยแห่งพระสูตร พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและความไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ แล้วท่านทรงขโมวดท้ายว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าคือทุกข์ความหมายของทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งมากคือท่านไม่ได้สอนว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนอกหักหรือคนล้มละลายคือทุกข์แต่ท่านชี้ขาดเอาไว้แล้วว่าอุปาทานขันคือทุกข์ หมายความว่าความทุกข์มีอยู่จริงแต่ไม่มีผู้ทุกข์อธิบายได้ว่าความเกิดมีอยู่จริงเป็นทุกข์จริงแต่ไม่มีผู้เกิดมีแต่กลุ่มของรูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นแต่ผู้ไม่รู้ความจริงคืออริยสั์ไปหลงยึดถือกลุ่มของรูปนามนั้นว่าเป็นเราเป็นของเรา หรือเป็นคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อรูปนามเกิดจึงคิดว่าเราเกิดหรือคนอื่นสัตว์อื่นเกิดและความตายก็มีอยู่จริงเป็นทุกจริงแต่ไม่มีผู้ตายมีเพียงความดับของรูปนามที่รวมกันขึ้นมาชั่วคราวแล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ผู้ไม่รู้ความจริงคืออริยสัตว ไปหลงยึดถือกลุ่มของรูปนามนั้นว่าเป็นคนหรือสัตว์เมื่อรูปนามดับจึงคิดว่าเราตายหรือคนอื่นสัตว์อื่นตายเท่านั้นเองสำหรับองค์ธรรมของทุกสัตว์หรืออุปาทานขันตามนัยยะแห่งพระอภิธรรมระบุว่าอุปาทานขันประกอบด้วยสภาวธรรม160ชนิดได้แก่โลกิยจิต แปดสเอ็ดวงคือจิตมี89ดวงแบ่งเป็นโลกิยจิต81ดวงกับโลกุตระจิตอีก8ดวงเจตสิกห้าชนิดคือเจตสิกมี52ชนิดแบ่งเป็นเจตสิกที่เป็นอุปาทานขันอันจัดอยู่ในกองทุกข้าสชนิดและเป็นเจตสิกที่เป็นตัวสมุทยัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์อีกหนึ่งชนิด ได้แก่โลภะเจตสิกหรือตัณหาและรูป28รูปดังนั้นการรู้ทุกจึงได้แก่การตามรู้สภาวะธรรม160นี้เองในเวลาปฏิบัติจริงเราไม่จำเป็นต้องรู้สภาวะธรรมมากมายถึงขนาดนี้แค่รู้รูปและนามเพียงบางชนิดก็พอจะเริ่มต้นปฏิบัติได้แล้ว โดยอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่องรูปนามที่นักปฏิบัติจำเป็นต้องทราบนอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในเวลาปฏิบัติจริงเมื่อโลภะเจตสิกเกิดขึ้นก็ต้องตามรู้ด้วยสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคา คือเมื่อรู้จิตที่มีราคาแล้วก็ย่อมจำแนกได้ว่าอันนี้จิตอันนี้ราคะหรือโลภเจตสิกและในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนิวรณะบัพภะทรงแสดงว่าเมื่อกามฉันมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันมีอยู่ณภายในจิตแสดงว่าทรงให้ตามรู้กามฉันอันเป็นโลภเจตสิกด้วย ดังนั้นตัวโลภะเจตสิกจึงมีสองสถานะสถานะแรกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังขารขัน์จึงเป็นตัวทุกข์ที่ต้องตามรู้อีกสถานะหนึ่งในฐานะที่เป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติและทุกข์จึงเป็นตัวสมุทัยที่จะต้องละแต่วิธีละสมุทัยก็ทําด้วยการรู้ทุกข์นั่นเอง ดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 1.2 ทำไมจึงต้องรู้ทุกเพราะไม่รู้อริยสัจคือความจริงของพระอริยเจ้าเราจึงไปหลงยึดถือรูปนามหรือขันห้าหรือกายใจนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา เมื่อรูปนามนั้นต้องแปรโปรนไปตามเหตุตามปัจจัยหรือไม่เป็นไปอย่างที่อยากก็เกิดความทุกข์เกิดความกระสับกระส่ายในจิตใจขึ้นมาเผาผลาญตนเองการรู้ทุกข์เป็นการป้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปนามให้จิตดูจนจิตยอมรับด้วยปัญญาว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามที่มาประชุมกันชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยปรงแตง่ง เมื่อเหตุเมื่อปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปรูปนามก็เปลี่ยนแปลงหรือดับไปไม่สามารถคงทนอยู่ได้ตามใจปรารถนาหากเกิดความปรารถนาหรือความอยากหรือตัณหาแล้วเกิดความยึดถือรูปนามขึ้นความยึดถือหรืออุปาทานนั้นแท้จริงก็คือตัณหาที่มีกําลังกล้านั่นเอง จิตใจก็จะเกิดความทุกข์เพราะความปรารถนานั้นการรู้ทุกข์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ความจริงของรูปนามจะส่งผลให้จิตหมดตัณหาหรือความทยานอยากคือสอัพพะทิเศ ส, สนิพานหรือกิเลสนิพานและหมดทุกข์อันเกิดจากความยึดถือในรูปนามและสิ่งต่างๆเหลือแต่ความทุกข์ของขันอย่างเดียว เมื่อถึงวันดับขันคืออนุปาที่เสสนิ พ, พานหรือขันตันิ พ, พานก็เท่ากับไม่มีทั้งกิเลสและขันเหลืออยู่จัดเป็นนิ พ, พานที่ดับรอบหมดจดสำหรับพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าปรินิ พ, พานทั้งขันใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีอวิชชาตันหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดรูปนาม หรือขันในภพใหม่ต่อไปอีก 1.3 วิธีรู้ทุกมีประเด็นที่ควรทราบดังนี้คือ 1.3.1 ปรารถนาจะรู้ทุกก็ต้องรู้ให้ถูกตัวทุกดังที่ได้กล่าวแล้วว่า คือรูปนามหรือขันห้าหรือกายใจนี้เองดังนั้นการจะรู้ทุกจึงต้องรู้ลงในรูปนามขันห้าหรือกายใจจะไปรู้สิ่งอื่นไม่ได้ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเคยสอนผู้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากเพียงให้มีสติสัมปชัญญะรู้ลงในวงของขันห้า หรือกายใจอันเป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เน้นว่าต้องเป็นปัจจุบันก็เพราะรูปนามของจริงมีอยู่ในปัจจุบันเพราะรูปนามในอดีตก็ดับไปแล้วส่วนรูปนามในอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นรูปนามในอดีตเหลืออยู่เพียงความจำส่วนรูปนามในอนาคตก็เป็นเพียงความคิด ทั้งความจำและความคิดล้วนไม่ใช่ของจริงของจริงคือของที่ปรากฏชัดอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ไม่ต้องไปค้นหาในที่อื่นเลย 1.3.2 ต้องการรู้ความจริงก็อย่าปิดเบือนหรือดัดแปลงการรับรู้ความจริงที่ต้องรู้คือรูปกับนาม เครื่องมือรู้รูปนามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจธรมธรมดาๆซึ่งมีกันอยู่แล้วเราไม่ต้องฝึกตาทิพย์หูทิพย์จมูกทิพย์ลิ้นทิพย์กายทิพย์หรือใจทิพย์เพื่อจะทำวิปัสสนาผู้ปฏิบัติต้องไม่ปลอมแปลงจิต แปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์และไม่ปลอมแปลงอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่อารมณ์ในความหมายตามภาษาไทยทั่วไปคือไม่ต้องแกล้งบังคับกดข่มจิตใจให้ผิดธรรมดาเพื่อจะรู้รูปนามที่ผิดธรรมดาและไม่ต้องแสวงหาหรือดัดแปลงอารมณ์เพราะอารมณ์รูปนามของจริง ปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ผู้ปฏิบัติส่วนมากชอบปลอมแปลงจิตและปลอมแปลงอารมณ์อันเป็นการบิดเบือนการรับรู้เช่นก่อนจะรู้อารมณ์มักชอบทำจิตให้ทื่อๆนิ่งนิ่งซึมซึมเคลิ้มเคลิมแข็งแข็งแล้วสแสวงหาหรือเพ่งจ้องใส่อารมณ์อย่างเอาอเป็นเอาตาย ทั้งที่อารมณ์นั้นมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาเช่นแค่ลืมตาขึ้นตรงตรงในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างพอก็จะเห็นสีได้แล้วหรือแค่มีกลิ่นโชยมากระทบจมูกก็รู้กลิ่นได้แล้วนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังมักเข้าไปแทรกแซงอารมณ์เช่นเปลี่ยนจังหวะการหายใจและเปลี่ยนจังหวะการเคลื่อนไหวกาย เป็นต้นสำนักปฏิบัติบางแห่งอาจมีการดัดแปลงอารมณ์บ้างในขั้นเริ่มต้นโดยมุ่งหวังว่าในขั้นสุดท้ายสิทธิจะรู้รูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงทางนี้เป็นไปตามอุบายของครูบาอาจารย์แต่ละสำนักซึ่งมักจะไม่ปรากฏในคำสอนตรงของพระพุทธเจ้า 1.3.3 ต้องมีโยนิโสมนสิการ และหรือกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติไม่เพียงแต่ต้องรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงโดยไม่บิดเบือนการรับรู้หากแต่ยังต้องรู้โดยมีโยนิโสมนสิการและหรือกัลยาณมิตรด้วยแท้จริงนักปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็กรู้เห็นสิ่งเดียวกันด้วยเครื่องมืออย่างเดียวกันนั่นเองคือด้วยหนึ่งตา ซึ่งเป็นร huh? mm ูปชนิดหนึ่งเห็นรูปคือสีหรือรูปอีกชนิดหนึ่งสองหูซึ่งเป็นร yeah mm ูปอีกชนิดหนึ่งฟังเสียงซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งสามจมูกซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งดมกลิ่นซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 4. ลิ้นเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งรับรส ซึ่งเป็นรูปอีกชนิดหนึ่ง 5. กายเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งกระทบโพธภพสิ่งสัมผัสกายคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหรือรูปอีกสามชนิดและ6ใจเป็นนามชนิดหนึ่งรู้ธรรมารมณ์คือรูปบางอย่างนามบางอย่างและบัญญัติ ไม่รวมถึงโลกุตระจิตและนิพพานซึ่งปุตุชนไม่มีทางเห็นได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติแตกต่างกันก็คือนักปฏิบัติรู้อารมณ์โดยมีโยนิโสมนสิการพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือนักปฏิบัติรู้อารมณ์ได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นหนึ่ง เมื่อตามองเห็นภาพบางอย่างก็สามารถรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ถูกเห็นคือรูปหรือสีไม่ใช่ตัวตนส่วนที่มองเห็นเป็นคนสัตว์ต้นไม้หรือภูเขาใดๆนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือความคิดหรือสมมุติบัญญัติที่เราใส่ลงไปตามอำนาจของสัญญาหรือความจำได้หมายรู้เท่านั้น และรู้สึกได้ด้วยว่าธรรมชาติที่รูรูปคือนามหรือจิตก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นกันหรือสองเมื่อความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นในใจนักปฏิบัติก็สามารถรู้สึกถึงสภาวะอันเป็นนามธรรมของสิ่งที่ผุดขึ้นมานั้นและรู้ได้ว่าชื่อเรียกสิ่งนั้นๆเช่นความสุขความทุกข์ความโลภ ความโกรธความหลงเป็นสมมุติบัญญัติที่เราใส่ลงไปตามอำนาจของความจำเช่นกันรวมทั้งรู้สึกได้ด้วยว่ามีนามอีกชนิดหนึ่งคือจิตไปรู้นามคือเจตสิกเหล่านั้นด้วยและไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกพูดง่ายๆว่าผู้ไม่ปฏิบัติ เขาเห็นกายของตนคนสัตว์ต้นไม้ภูเขาส่วนนักปฏิบัติก็เห็นเหมือนผู้ไม่ปฏิบัตินั่นแหละเพียงแต่สามารถมองทะลุสมมุติบัญญัติอันเป็นเพียงภาพลวงตาเข้าไปรู้สึกถึงตัวจริงของรูปธรรมที่สมมุติเรียกว่ากายตนเองคนสัตว์ต้นไม้ภูเขาผู้ไม่ปฏิบัติเกิดความโกรธ ก็สำคัญว่าเราโกรธส่วนนักปฏิบัติรู้สึกถึงความโกรธก็รู้สึกได้ว่าความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตซึ่งจิตเองก็เป็นนามธรรมอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้นักปฏิบัติก็รู้สมมุติบัญญัติเช่นเดียวกับคนอื่นๆนั่นเองแต่รู้สึกและเข้าใจถึงของจริงคืออารมณ์ประมัด หรือรูปนามที่อยู่เหนือสมมติมัญญัติอันเป็นภาพลวงตาอย่างไรก็ตามจงอย่าได้พยายามลบสมมติมัญญัติทิ้งเพื่อจะได้รู้สึกถึงอารมณ์ปรมัติตแต่จงพัฒนาสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องจนรู้สึกถึงอารมณ์ปรมัติตได้เองจึงจะปลอดภัยที่ใช้คำว่าปลอดภัยในที่นี้เป็นการใช้ด้วยความจงใจทีเดียว 1. นนการรู้อารมณ์ได้ถูกต้องหรือรู้อย่างมีโยนิโสมนสิการนั้นไม่ใช่การคิดถึงอารมณ์นั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรแต่เป็นการรู้สึกถึงความไม่มีอยู่จริงของตัวตนคือเมื่อรู้รูปก็รู้สึกได้ว่ารูปนั้นเป็นเพียงรูปไม่ใช่ตัวตนเมื่อรู้นามก็รู้สึกได้ว่านามนั้น เป็นเพียงนามไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกที่ถูกต้องตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อธิบายยากมากถ้ารู้ตัวเป็นคือสามารถมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏโดยมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยจึงจะเกิดความรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนามได้เรื่องนี้กัลยาณมิตร หรือครูบาอาจารย์ที่ชํานาญในการปฏิบัติจะช่วยได้มากพระพุทธเจ้าจึงส่งยกย่องว่าโยนิโสมณสิการก็ดีกัลยาณมิตรก็ดีคือทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือการประพฤติปฏิบัติธรรม รู้ทุกข์ไม่ใช่ละทุกข์มีประเด็นสำคัญมากที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ทรงสอนให้ละทุกข์คือรูปนามสิ่งที่ท่านสอนให้ละคือสมุ ท, ทยัยหรือตัณหาเท่านั้นแต่นักปฏิบัติส่วนมากมีตัณหาหรือความอยากที่จะละทุกข์ แล้วเกิดการกระทำตั้งมากมายเพื่อหาทางละทุกข์เช่น 1. การคิดค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์ 2. การเพ่งจิตการเพ่งอารมณ์และ 3. การหลีกเลี่ยงการรับรู้อารมณ์ด้วยการทำใจให้ว่างเปล่าหรือการดับความรู้สึกแต่ยิ่งดิ้นรนหนีทุก ความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนการรู้ทุกข์ซึ่งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วก็เป็นอันละสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปดังนั้นนักปฏิบัติพึงเจริญสติสัมปชัญญะรู้ลงในกายในจิตของตนอย่างซื่อตรงและเป็นปัจจุบันไม่มีงานที่จะต้องทามากกว่าการรู้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าหลงคิดและหลงเพ่งยกเว้นการทำความสงบจิตเมื่อสมควรพักทาความสงบแต่ไม่ใช่พักทาความสงบจิตโดยหวังว่าถ้าสงบมากๆแล้วจะเกิดปัญญาได้เองปัญญาก็เหมือนทรัพย์สินจะเกิดขึ้นด้วยการนอนรอไม่ได้ 1.4 เมื่อรู้รูปนามถูกต้องแล้วจะรู้อะไรบ้างหากผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้รูปนามที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความรู้ขึ้นมา3มขั้นตอนคือรู้สภาวะรู้จริงและรู้ละดังนี้คือ 1.4.1 ขั้นแรกจะรู้สภาวะของรูปนามที่กำลังปรากฏอยู่หรือยาตะกริญญาเช่นพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ว่ารูปนั่งกำลังปรากฏอยู่หรือโทสะคคือนามะเจตสิกกำลังปรากฏอยู่เป็นต้นอย่างไรก็ตามถ้ามีสภาวะบางอย่างที่ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อปรากฏขึ้น ก็ไม่ต้องกังวลสิ่งสำคัญคือตัวสภาวะไม่ใช่ชื่อของสภาวะแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งปรากฏอยู่ก็พอแล้ว 1.4.2 ขั้นต่อมาเมื่อสติปัญญาพัฒนามากขึ้นก็จะเริ่มรู้จริงหรือตีรณะปริญญาว่ารูปนาม หรือสิ่งบางสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นล้วนแสดงความจริงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใคร 1.4.3 ขั้นต่อมาเป็นขั้นของการรู้ลก หรือปหาณาปริญญาคือละความรู้ผิดเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปนามแล้วลดหรือหมดความยึดถือรูปนามไปตามลาดับแต่ท้งนี้ต้องเข้าใจซะก่อนว่าคำว่ารู้ละไม่ได้หมายถึงการละอารมณ์รูปนามแต่เป็นการรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงจนละความเห็นผิด และความยึดถือรูปนามลงได้เท่านั้นอีกนายะหนึ่งเมื่อรู้รูปนามได้อย่างถูกต้องแล้วปัญญาจะพัฒนาไปตามลำดับนับตั้งแต่หนึ่งการมีความเห็นถูกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่รูปกับนามคือทิฏฐิวิสุทธิหรือ นามรูปปริเฉทยานะสรูปนามมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปคือกังขาวิตรณวิสุทธิหรือปัจจยปริกะยานะ 3. รู้หนทางที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยการเจริญสติสัมปัญญาจนเห็นไตรลักษณ์และรู้ว่านอกจากการเจริญสติสัมปัญญาแล้วไม่ใช่วิธีเรียนรู้เรื่องรูปนามนั่นคือมัคขามคยานัศนะวิสุทธิหรือสัมมณญาณนะและตารุณอุทยพยายาณนะ 4. ลงมือรู้รูปนาม เห็นความเกิดดับของรูปนามตามความเป็นจริงจนจิตเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและจิตเป็นกลางต่อรูปนามด้วยปัญญาจนกระทั่งจิตยอมรับหรือคล้อยตามความจริงของอริยสัจในที่สุดนั่นคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือพลวะอุทยัพญพย า, ยานะถึงอนุโลมญาณนะและ นับโคตรภูญานเข้าไว้ด้วยโดยอนุโลมแล้ว5ปล่อยวางความยึดมั่นรูปนามหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นนั่นคือปัศนวิสุทธิหรือมัคคยาณนะและนับภรยานะกับปัจจเวขณญยานเข้าไว้ด้วยโดยอนุโลมศึกษาเพิ่มเติมจากหลักธรรมเรื่องวิสุทธิที่7และโสรสยาน หรืออภิธรรมมัตสังหะปริเฉติ9้ากรรมมัฐานสังหะวิภาค 2. สมุทัยควรละกิจต่อสมุทัยคือการละหรือปหานะเรื่องนี้มีประเด็นที่สำคัญ สประการคือ1สมุทัยที่ต้องละนั้นคืออะไรคือตัณหาและสองการละสมุทัยนั้นทำอย่างไรคือรู้ทุกข์มีสาระสําคัญดังนี้คือ 2.1 งจุดหสมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตัณหาหรือความทยานอยากของจิต สมุททยมีองค์ธรรมอันเดียวคือโลภะเจตสิกช่างน่าทึ่งเสียจริงที่โลภะเจตสิกตัวเดียวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งมีองค์ธรรมถึง1 6 0ประการนับว่าตัญหาเป็นผู้สร้างโลกได้อย่างแท้จริงทีเดียวตัญหาตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทท่านจำแนกว้สามชนิดคือหนึ่งกามตันหา คือความทยานอยากได้ในกามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐพัทธ์สองภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากดำรงอยู่อย่างถาวรคือสัจสตทิฐิและ 3. วิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น หรืออยากดับศูนคืออุดเฉททิฐิแต่สําหรับนักปฏิบัติน่าจะสนใจตัณหาตามนัยยะที่ทรงแสดงในมหาสติปฐานสูตรดูบ้างคือทรงแสดงตัณหา6ประการได้แก่ตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในสิ่งสัมผัสทางกายและ ตัณหาในธรรมรมในขั้นนี้ฝากเพื่อนนักปฏิบัติให้จำเรื่องตัณหา6กไว้ก่อนเมื่อถึงขั้นการปฏิบัติจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง 2.2 วิธีการละสมุทัยจะดับทุกต้องดับที่สาเหตุของทุกคือตัวสมุทยัยเมื่อจะดับตัวสมุทัยก็ต้องดับที่สาเหตุของสมุทัยเช่นกัน ตัณหาหรือความทยานอยากของจิตเกิดจากความไม่รู้อริยสัจนั่นคืออวิชชาคือหนึ่งความไม่รู้ว่ารูปนามเป็นทุกข์ 2. ความไม่รู้ว่าความอยากในรูปนามคืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุให้จิตใจกระสับกระส่ายเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบัน และเป็นเหตุให้เกิดมีรูปนามใหม่ในอนาคต 3. ความไม่รู้แจ้งสภาวะที่พ้นจากรูปนามเพราะความดับสนิทแห่งตันหาคือไม่รู้ความดับทุกข์หรือนิพพานและ4ความไม่รู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับความทยานอยากในรูปนามถ้ามองในแง่ว่าตันหาเกิดจากอะไรดูจะยุ่งยากสักหน่อย จึงควรลองมองกลับด้านดูบ้างว่าตันหาดับได้ด้วยอะไรแท้จริงแล้วตัญหาดับได้ด้วยการรู้ทุกคือรู้ความจริงของรูปนามเท่านั้นเองครูบาอาจารย์วัดป่าท่านมักสอนว่ารู้ทุกนั่นแหละเป็นการละสมุ ท, ทยัยหมายความว่าถ้าสามารถรู้ความจริงว่ารูปนาม ไม่ใช่เราเราไม่มีเขาไม่มีมีแต่รูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยและรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอรู้ความจริงอย่างนี้แล้วความทะยานอยากทั้งด้านพอใจและไม่พอใจในรูปนามก็จะดับไปโดยอัตโนมัติ 3. นิโรธควรทําให้แจ้งกิจตอนนิโรธคือการทําให้แจ้งหรือสัจิกิริยามีประเด็นที่สําคัญสองประการคือหนึ่งนิโรธที่ต้องทําให้แจ้งนั้นคืออะไรคือนิพพานและสองการทํำนิโรธให้แจ้งนั้นทําอย่างไรคือละสมุทยัย ด้วยการรูทุกส1มจนิโรดคืออะไรเนิโรดหรือความดับมีหลายประเภทเช่นการข่มนิวรณนไว้ด้วยสมถกรรมฐานก็ถือเป็นเนิโรดระดับหนึ่งการดับกิเลสด้วยธรรมอันเป็นคู่ปรับกันในขั้นการเจริญวิปัสสนาก็เป็นเนิโรดอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น แต่นรโรดในที่นี้หมายถึงความดับตันหาหรือนิพานเป็นธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งคือไม่ใช่รูปนามเป็นอสังกตธรรมหรือวิสังขารธรรมหรือธรรมที่ดับตันหาคือวิราคะธรรมหากกล่าวโดวยองค์ธรรมนิโรดมีองค์ธรรมอันเดียวคือนิพานซึ่งมีสันติลักษณะ คือสงบจากกิเลสและสงบจากทุกข์คือรูปนามโดยนิยะนี้ผู้ใดเห็นว่านิพพานยังมีรูปนามเช่นเห็นนิพพานเป็นบ้านเมืองหรือเป็นพระพุทธรูปผู้นั้นยังไม่เห็นแจ้งนิพพานตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่อาจจะเป็นนิพพานพรมซึ่งเกิดจากการทาสมถะ แต่ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบางท่านคิดว่านิพพานคือความว่างหรือความไม่มีอะไรเลยเพราะมีพุทธพจน์รองรับว่านิพพานังประมังสุญญยังแล้วเที่ยวแสวงหาความว่างนี่ก็เป็นความเห็นสุดโต่งอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับพวกแรก ซึ่งคิดว่านิพพานยังมีรูปนามอยู่แท้จริงเราแสวงหานิพพานจากความว่างตรงๆไม่ได้เพราะจะกลายเป็นการหลงเพ่งช่องว่างบ้างหรือเพ่งความไม่มีอะไรบ้างหรือหลงเลิดอยู่ในโลกของความคิดว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบ้างหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ได้แก่การเจริญอริยมรรค ด้วยการรู้ทุกข์คือรู้รูปนามจนดับสมุทัยได้นิพพานซึ่งเป็นความสิ้นตัณหาก็จะปรากฏให้ประจักษ์ได้เอง 3.2 การทานิโรธให้แจ้งก่อนอื่นควรสลัดความเห็นผิดที่ว่านิพพานคืออะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับอยู่ไกลๆและต้องปฏิบัติไปอีกนานๆ จึงจะแจมแจ้งในนิพพานได้ลองปรับความรู้สึกใหม่ว่านิพพานคือความสิ้นตันหาถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ความจริงของรูปนามต่อไปเพื่อละตันหาให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ยังได้มีตันหาที่จะละตันหาแล้วลงมือปรุงแต่งการปฏิบัติที่วุ่นวายอันเป็นการออกนอกกรอบของการรู้ทุกข์ หรือการตามรู้รูปนามกายใจก็แล้วกัน 4. มักควรทำให้เจริญกิจต่อมักคือการทำให้เจริญหรือภาวนา มีประเด็นสำคัญ3ประการคือ 1. ความหมายของมัคคือทางดับทุกข์ 2. มงมัคที่ควรเจริญมัค2ประเภทและ 3. วิธีการจเจริญมัคคือการจเจริญสติปัฏฐาน 4.1 ความหมายของมัคมัคโดยทั่วไป หมายถึงทางซึ่งรวมถึงทางไปสู่ทุกติสุกติและนิพพานด้วยแต่มักในที่นี้หมายเฉพาะถึงข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคือถึงซึ่งความดับตัณหาเป็นผลใหทุกทั้งปวงสิ้นไปบางตำราท่านก็ว่ามักคือธรรมชาติที่ประหารกิเลสแล้วย่อมถึงพระนิพพาน มักนี้มีชื่อเรียกได้หลายอย่างคือมักสัตว์มักคะอริยสัตว์และทุกขเนโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เป็นต้นมักมีหนึ่งหมายความว่าทางให้ถึงความดับทุกข์มีทางเดียวนี้เท่านั้นไม่มีทางที่สองแต่มีองค์ประกอบ8ประการได้แก่สัมมาทิฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชิวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสติชอบและสัมมาสมาธิสมาธิชอบมักที่ควรเจริญเพื่อถึงนิพพานมีสองประเภทดังนี้ 4.2.1 มรที่มีรูปหรือนามเป็นอารมณ์มรชนิดนี้จัดเป็นโลกิยมรมีองค์ประกอบ8ประการประชุมกันโดยมีอารมณ์อันเดียวคือรูปหรือนามถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองคือในขณะใดมีสัมมาสติระลึกรู้รูปหรือนามอันใดอันหนึ่งอยู่ ในขณะนั้นจัดว่าเป็นการรู้ทุกข์เป็นส่วนของสัมมาทิฏฐิในขณะนั้นย่อมมีสัมมาสังกัปปะคือมีดําริออกจากกามดําริไม่พยาบาทและดําริไม่เบียดเบียนในขณะนั้นย่อมมีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชิวะในขณะนั้นย่อมมีสัมมาวาามะคือมีความเพียรชอบ เพราะในระหว่างที่มีสติอยู่นั้นกิเลสที่มีอยู่จะดับไปกิเลสใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อมีสติอยู่นั้นได้ชื่อว่ากำลังทำกุศลให้เกิดขึ้นและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปและในขณะนั้นย่อมมีสัมมาสมาธิคือมิจิตตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์รูปหรือนามโดยจิต ไม่ถลําลงไปในสิ่งที่ถูกรู้นั้นคือไม่หลงดูฟังคิดเพ่งเป็นต้นจิตเป็นเพียงผู้ดูละครเรื่องรูปนามไม่ใช่ผู้แสดงละครเสียเองทั้งนี้สัมมาสมาธิที่จำเป็นสำหรับการเจริญวิปัสสนาคือคณิกะสมาธิเป็นสภาพความตั้งมั่นของจิตในชั่วขณะของการรู้อารมณ์รูปหรือนามโดยหนึ่ง จิตไม่ซัดสายหรือคล้าจากอารมณ์รูปหรือนามที่สติไประลึกรู้อยู่นั้นไปที่อื่นและ 2. ในระหว่างที่รู้อารมณ์รูปหรือนามอยู่นั้นจิตเป็นตัวของตัวเองไม่หลงไม่ไหลไปทางถาวรทั้ง6โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ถล่มเข้าไปเพ่งจ้องหรือจมแช่อยู่กับอารมณ์รูปหรือนามที่สติ ไประลึกรู้เข้าพูด ง, ง่ายก็คือจิตตั้งมั่นไม่ถลําไปด้วยอำนาจของตัณหาหกประการนั่นเองในจุดนี้เองที่หลวงปู่ดูลอัอตุโลท่านกล่าวสอนอยู่เสมอว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงการไม่หลงไปตามอำนาจของตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ และธรรมารมแต่พ่อแม่ครูอาจารย์อีกรูปหนึ่งของผู้เขียนคือหลวงปุเทศเทสรังสีแห่งวัดหินหมักเป้งจังหวัดหนองคายท่านแยกแยกคำว่าส่งจิตออกนอกออกเป็นส่งนอกกับส่งในคำว่าส่งนอกหมายถึงการขาดสติแล้วจิตทยานหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นและกายส่วนคำว่าส่งใน หมายถึงการขาดสติแล้วจิตหลงไปทางใจเช่นหลงคิดหลงเคลิมหลงนิมิตหลงสแสวงหาหลงเพ่งหลงยินดีหลงยินรายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูของการเจริญสติทั้งสิน้นถ้าจิตมีสัมมาสมาธิสนับสนุนอยู่จิตก็ไม่หลงส่งนอกส่งไหนจิตจะตั้งมั่นเป็นกลาง เป็นตัวของตัวเองในขณะที่รู้อารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ตรงตามความเป็นจริงได้จุดนี้เองที่ตําราปริยติธรรมท่านสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาขอเน้นว่าต้องเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติปัญญาเท่านั้นจึงจะใช้เจริญสติสัมปชัญญะได้ ส่วนมิจฉาสมาธิอันประกอบด้วยโมหะและโลภะนั้นเป็นอาการหลงจัดเป็นศัตรูตัวฉกาศของการเจริญสติทีเดียว 4.2.2 มักที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มักชนิดนี้คืออาริยมักเกิดขึ้นครั้งละขณะจิตเดียวและเกิดในผู้ปฏิบัติคนหนึ่งได้เพียงสครั้งเท่านั้น มีองค์ประกอบ8ประการเช่นเดียวกับโลกียมักแต่มีนิพานเป็นอารมณ์เราไม่จำเป็นต้องพยายามทำมักชนิดนี้ให้เกิดขึ้นเพียงมันจเจริญวิปัสสนาหรือจเจริญโลกียมัก ต, ตามข้อ 4.2.1 เข้าไว้แล้ววันหนึ่งก็จะเกิดอริยมักเอง 4.3 วิธีการจเจริญมัก ได้แก่การรู้ทุกข์ด้วยการเจริญสติปัฏฐานในส่วนที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็คือการเจริญโลกียมรรคเพื่อให้บรรลุถึงอริยมรรคนั่นเอง